ทางถามกำลเพื่ง <c oughs> ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี่เหมือนกับมีความพร้อมเหมือนกับทํานาว ต้องมีเนื้อนามีศรัทธาเชื่อคำสอนเชื่อสูตรสาเร็จทำอย่างนี้เหมือนเรามีหลักฐานมีคําสอนมีวิธีการก็ต้องมีศรัทธาว่าทำดีมันต้องดีทำชั่วก็ต้องชั่ว ชีวิตของเราเราต้องใช่ให้ถูกต้องอย่างเต็มที่และก็ใช้กายใช้ใจให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นทรัพย์ภายในให้เหมือนทรัพย์ภายนอกต้องอาศัยปัจจัยอย่างอื่นอินฟราอากาศ สถานที่ทำงานเครื่องมือบางคนก็ต้องลงทุนคืออุปกรณ์เครื่องทุนแรงมาเป็นเครื่องมือหาเงินหาทรัพย์ก็ยังทำได้บางคนยังได้ทำได้สำเร็จนี่เรามาหาอาริชบภายใน ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยความภาคเพียรอาศัยความสตและเลือกได้มีส ต, ติอาศัยความตั้งใจมันชอบิอยาจะเป็นพลังในการหาทรัพย์ได้ง่ายขึ้น การที่จะเกิดศรัทธาต้องเป็นต้องมีพื้นฐานดีๆจะเป็นศรัทธาจริตุดให้เป็นศรัทธาสมบัติยุทธศรัทธาก้าวหน้าเห็นเหตุเห็นผลเชื่อมัน่นเหมือนกับคนหาทรัพย์ในดินหาสินในน้ำเชื่อบ้าน เมื่อความเชื่อมั่นดีแล้วเอามาทำเรียกว่าความเพียรประกอบมันขึ้นมาเมื่อกัมีเนื้อนาเป็นทุนมีความเพียรเหมือนกับน้าผลให้เนื้อนาชุ่มชื่นลงไปได้ปลูปลกพืชตามความประสงค์ มืนกับสติเป็นเมล็ดพืชปอูกลงไปในความเพียนในเนื้อนาในจัตตาในมีน้ำผลก็เราจเห็นอะไรสงเกิดขึ้นทำถึงนี้มันก็ได้ถึงนี้ไม่ทํามันก็ไม่ได้ถ้ามีถึงนี้ถึงนี้ก็มีขึ้นมาถึงอื่นก็ไม่มี แต่ก่อนนี้เราใช่กายใช่ใจแต่เประปะบางทีก็ปลูกหรือทีก็ประกอบสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราความทุกข์ก็ยังปกลงไปความโกรธความละความจังความผิดความถู ก, กปกลงไปมัน ก, ก, ก, ก, ก็เต็มไปหมดลกลงหังไปหมด เหมือนเนื้อนาที่ไม่ได้แพวถ า, างอะไรเกิดขึ้นมาเป็นบาเป็นดล่งไปเลยดงของกายดงของใจหรือว่ากิเลสพั5ห้าตันหารอยแปดมีแต่ความไม่จริงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความไม่ใช่ตัวตน เคยลอกไปความลอกอยู่ที่ไหนเคยเกียดชังความชังอยู่ที่ไหนเคยสุขเคยทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่ใดมียริงหรือไม่ในรูปนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นจริงไหมไม่เที่ยงจริงไหมรูปเป็นทุกข์จริงไหมรูปมใช่ตัวตนจริงไหมห้ามมันได้ไหม เราทุ่มเทกับลูกกับน้ําคือกายคือใจนี่เท่าไหร่เอาความรักสมความรักที่เราลักในทุ่มเทได้ยังไงตามตามความโกรธได้อะไรขึ้นมาตามตามความฉุกได้อะไรขึ้นมาทำ ต, ตามความทุกข์ได้อะไรขึ้นมาวันจริงไหมมันอยู่คงที่ไหมสูญเชียไปที่ใด เมื่อมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วจริงไหมเป็นผู้มีความทุกข์ปืนเบ้าหน้าจริงไหมเป็นผู้ถูกความทุกข์เป็นทุนเราไม่มีสุขก็มีทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้ต้องให้ต้องยอมรับอย่างนี้หรือ เราจึงน่าจะคิดกันบ้างแล้วก็มีความแกรความเจ็บความตายจริงไหมเห็นไหมเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมถึงข้าวเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรการพัดพลากจากของรักของชอบใจมันมีจริงไหมในโลกนี้ ปรารถนาสิ่งใดไม่เคยได้มีไหมเป็นทุกข์สิ่งที่ปรารถนาแล้วไม่ได้มีไหมน่าจะหาคำตอบเรื่องนี้เราจะจ้องจานวนควาแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาเป็นทุกข์ มันก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญาณมันก็ไม่เที่ยงสังขารมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงเรายังอู้มชูเมื่อสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็เป็นทุกทุกทีเมื่อเสี่งใดเป็นทุกเกิดขึ้นก็เป็นทุกทุกทีมันจะเป็นอยู่นี่หรืออะไรที่มันเป็นค่าที่เกิดขึ้นเกิดกายที่ใจเรานี่ แล้วก็มีตัวอย่างมีแบบฉบับไม่ภะาษาทรรดามีคำสนอนกุญเจอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้พ้อมท่าพประทำคำสอนอันเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกมีมีอยู่จริงแล้วต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แหลักรมาประกอบมามีความเพียรมามีสิติตาม ทิสติของพุทธเจ้าที่ได้บอกที่ได้ประกาศเอาไว้มีสติเป็นในกายเป็นประจำมีความเพียรคือน้ํมผลทำลงไปลู่จักตัวลงไปในกายในใจมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดลองประกอบ่องนี้ลงดู จะได้แก้ไขจะได้ช่วยเหลือกายช่วยเหลือใจจะได้สอนกายสอนจิตใจมันต้องเห็นสิงเดมันไม่ดีมันเคยชินเล่นจิตใจก็คิดเวลาเรามีสติจะได้เห็นความคิดชัดเจนจะได้สอนความคิดให้เป็นความรู้จึกตัว ว่าจ ะ, จะคิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ก่อนนี่ไม่ได้จัดสรรเรื่องนี้ปล่อยให้ความคิดคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนมันเป็นทางของมันไปทางของกิจก็คือความคิดตะวันของกิจใจคือมันคิดมันก็เดินทางไปเต้านู้นไม่อยากคิดมันก็คิดเราจะได้สอนมันซะกลับมารู้จักดัวอซะ ความคิดกลาเป็นความรู้สึกตัวบางทีก็อาจจะเป็นความทุกข์ก็เกิดกลับมารู้สึกตัวบางทีอาจจะเป็นความสุขก็กลับมารู้สึกตัวบางทีอาจจะเป็นความรักก็กลับมารู้สึกตัวบางทีความคิดเป็นความเจียดชั้นก็กลับมารู้สึกตัวแต่ก่อนความคิดก็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์เอาชีวิตไปห้อยไปแขียนไวยกับความคิดแล้วแต่ความคิดจะพาไปอย่างไร บาทีก็ไม่เชื่อจิตใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเองมีเหมือนกันแล้วก็ทำตามอาการของจิตใจที่มันคิดทำผิดทมพลาดหลายข้างหลายหนไม่รู้จักเข็ด จ, จักหลาบเสียบเปียกความโก้เฉียบเปียบความทุกข์ ตั้งท่านนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินไมน้นอนไม่หลับเพราะความคิดลรกไฟคข้ยเจ็บเกิดขึ้นก็เพราะความคิดจริงจงมีอยู่จริงๆรอเราไปหาหมอหมอก็จะไปบอกหมอว่าปวดท้องหมอก็จ ะ, จะา ส, าสาวสาวใส่เหตุ ข้อหมุนจอกตัวเราเองแล้วก็หายาให้กินเป็นยาแก้โรคกระเพาะคิดมากเวลามาชิดมากมันก็เลือดเลือดต่างๆมาเลี้ยงที่หัวใจหัวใจจมมานหนักน้อมไส้ขาดเลือดกระเพาะขาดเลือดนะวอกไม่ย่อยมันก็เกิดโรคอีกหลายอย่างเอาห้หยุกไปยา ถ้โกรธมากๆก็จะเป็นโรคกระเพาะหรืออายุสั้นเข้าไปอีกหลายอย่างที่เกิดจากความคิดนี่ยถ้าเราไม่สอนมันแต่เราจะหาทรัพย์ได้จากจกิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทังกิจจึงได้เป็นพุทธเจ้าไม่ช่วยชาติกำเนิดตัตินิกายได้กายได้ใจได้รูปได้นามนี้ มาฝึกหัดไม่แตกต่างกันเวลาฝึกหัดก็จะได้สอนกายสอนใจให้ได้ลูกพอองอาจจะคิดถึงพิมพาราหนุนคิดถึงลาทรัพย์สินแสดงการคิดถึงประชาศสามฤดูคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยยิ่งใหญ่ด้วยเป็นเจ้าพ้าชาย ที่มีชื่อเสียงโดงดังเหลียนจบสิบเจ็ดสอดเข่งต้าวิ่งแข่งมาแหลงยิงธ น, นูแหลงฝันดาบสามาเอาชนะเจ้าพ่าชายทั้งหลายในท้องนั่นได้หมดจงได้เล็งถึงไปเจ้าจากักรพรรด เป็นใหญ่ในโลกแต่พระองค์ก็ยังดึงไปไม่ได้ถ้งกลับมาดูตัวเองทําไม่ได้บทเรียนจากความคิดได้สติได้ปัญญาได้สอนจิตเมื่อจิตถูกสอน ก, นก็เชื่อมก็ลู้ขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทร่ว่าบำเพ็ญทางจิต มีสติสอนจิตมีสติสอนกายจากคำสอนจากสติได้สอนกายสอนจิตกับกายเป็นอะไรอีกมากมายเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเป็นพลังพลังห้าอย่าง ย่อมหาทราบได้สรทาภาลวิญญาภละจิตภาลสมาธิภาลปัญญาภาละห้าแรงเข้าไปมันจะเหลืออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะเกิดความถูกต้องขึ้นมาแทนที่เคยทุกข์ก็จะไม่ทุกข์เคยโกรธก็จะไม่โกรธเคยหลงก็จะไม่หลง ไม่ทุกควมทุกไม่ทุกภวมเก่บไม่ทุกภวมเก็บไม่ทุกภวมตายไปถึงจุดหมายายทางไปโน่นเดียมใจก่อนตายเตรียมลายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแลงแต่งเบี้ยงก่อนเดินโบราณท่านว่าแน่นอนเราต้องเป็นอย่างนั้นเวลาเราไปงานศพเห็นศพนอนอยู่ในเหีบลงเราก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ก่อนคนที่นอนอยู่ทีบรวงโฉบนั่นก็เหมือนกับเราอย่างนี้เราก็จะเป็นอย่าง น, านั่นก็ต้องงองตนกับมหาตนหน้าสลดน้าสังเวสจายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกตนยอกเกิดขึ้นแล้วแจเจ็บตายไปร่างกายเมื่อปราศจากวิญญาณ พลาดลู้แล้วเหืวนท่อนไม้ทอ่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เราจึงไม่ได้ใช่มันเลยปล่อยให้มันผู่ฟังเน่าแกไปจนตายจนหมดไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากรูปจากนามจากกายจากใจน่าจะเป็นเรื่องเรียบด่วนตื่นแต่ดึกสึกเแต่ น, นุ่มนุม โอราณท่านว่าปลยเถิดพอ่ออย่าลังล้อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าต้องรีบด่วนเริ่อนี้กันบ้างด่วนยังไงมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเป็นทางด่วน ไมเหมือนลูกเป็นเจ้าของสติจะได้เป็นเจ้าของของกายสติจะได้เป็นเจ้าของของจิตใจเมื่อมีเจ้าของกของก็ย่อมจะปลอดภัยกายก็จะปลอดภัยใจก็จะปลอดภัยเป็นกายที่ไม่มีภัยเป็นใจที่ไม่มีภัยก็เรียกว่าเรียเจ้าเรียบุคคลชันใดชันหนึ่ง แล้วก็จะเห็นเรื่องนี้จริงๆมันก็ภูมิใจได้ช่วยกายได้ช่วยใจได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนความสุขเป็นความไม่สุขได้เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันเป็นใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นทางมากทางผลก็สอนให้มันถูกมันเกิดมากเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นมา ได้คุณได้ค่าประทับใจเรื่องนี้มีคนมีค่คาหรือว่าอาเลียทรับปายได้อาเลียทรับปลายในเป็นของสมบัติของเราแท้ๆไม่เหมือนชอบปายนอกชอบปลายนอกไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นใหญ่เปลี่ยนกันใช้บางทีเราหวงเห็นทุ่มเทมา เอาก็เห็นเห็นกันอยู่บางตะกวนมีเงินมีทองมีฐานะดีเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันมาลูกสาวคนจุดท้ายได้ล่มรวยมากกว่าคนอื่นแล้วก็ได้สามีลูกสาวก็ตายไปสามีก็เป็นคนอื่น เราก็ได้ลูกได้หลานขึ้นมาลูกหลานก็เป็นคนอื่นไปกลายเป็นของหลานเคยกลายเป็นของอะไรไปโน่นตกไปไกลโน่นเราได้อะไรหลังสู้ว่อนาจีนเราได้อะไรของเราจริงไหมบาทีเราอาจจะเป็นทุกข์ด้วยซ้ำไปแย่งมาดกกันปองร้องกันพี่น้องแต่ล้อกันก็มีมันจริงไหมมาได้อะไร ปกติจนยังก้นได้ขโมยไปได้แต่ว่าอันทชอบภายในไม่มีใครมาแย่งได้ น, นี่น่าจะเป็นของจริงต้องให้หาได้ในชีวิตนี้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่เป็นๆ น, นี่มีกายมีใจนี่ทําได้อยู่นี่ได้เปลี่ยนล้ายเป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเราถ้าจะเริ่มต้นกันได้แล้ว ม่อประมาทก็ให้ต้องใจแล้วก็มีช่องทางอย่าคบคนพา ล, ผ ล, ผลให้คบบัณฑิตบัณฑิตคือผู้สัง่งผู้สอนบอกผิดบอกถูกไม่ใช่มงยกย่องกันขี้โทษบัณฑิตคือผู้ขี้โทษ ผู้ใดขี้โทษแล้วขี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้นั่นคือผู้ขี้ข่มซ้อมพายเราบอกครั้งเดียวก็ทําได้เลยดูการเคลื่อนไหวเห็นใจความคิดอย่าไปในความคิดอย่าเป็นฉุกเป็นทุกข์ผู้ความคิดอย่าให้ความคิดเด้งไปกลับมาตั้งไหวกลับมาตั้งไหวหัดวันหนึ่งสองวันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง ให้มันคุ้เคยให้สติติดกับกายกับใจให้สติเป็นเจ้าของเลยดูแลไม่เจะเป็นสมบัติของกันและกันเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกายก็ได้ความเป็นธรรมใจก็ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็เป็นยิ่งใหญ่เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติทำย่อมรักษาผู้พิทธรรมเป็นนิด ต้างกยอมรักษากายทำยอมรักษาใจไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเดี๋ยวนี้เงินทองรักษาได้ไหมชอบเจรเงินทองรักษาไปได้ต้องอดิชอบไปหนเ ค, เ, หเคยเจ็บบ้างไหมเคยเจ็บบ้างไหมเคยตายบ้างไหมเป็นอย่างไรเคยทุกข์บ้างไหมเป็นอย่างไรแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็เต็มที่แล้วไม่รู้จุดทางไม่พบทางเลยตันไปเลย เรืความคิดแล้วเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ก็ไม่รู้จกขนถางออกก็รามันถึงท้าวจริงๆจะทำยังไงอะไรที่มาช่วยเราเจ็บคนเดียวตายคนเดียวใครช่วยเราเราไม่มีครอบเมีวงไม่ลูกมีผัวมีเพื่อนมีมิตรช่วยอะไรได้บ้างนอกจะสลดสองเบสชีวิตของเราเนี่ย อะไรที่มันเป็นแฉนสอนเนี่ยมาครบไม่ครบผลผล่านมาครบบัณฑิตอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรมีผู้บอกผู้สอนมีจริงเวดล้อมมีระบบนิเวทที่อํารวยให้เกิดความพร้อมไม่ต้องยุ่งเหยิงอะไร น่าจะเลือกได้ชีวิตของเราเนี่ยประเทศไทยคนไทยวัฒนธรรมแบบไทยไทยศาสนาแบบไทยไทยนักบวชเป็นพระสงฆ์แบบไทยไทยวัดบาราแบบไทยไทยน่าจะเลือกได้ก็สมควรแล้วที่จะต้องมีศรัทธา เราก็มีความเพียรเพื่อจะประกอบให้มันเกิดขึ้นบางสกับชีวิตของเราที่มีอยู่จริงเนี่ยทําได้อยู่เนี่ยมือกายเอามาเคลื่อนไหวให้รู้จักตัวเนี่ยสามารถทําได้ไม่ยกเวบนลัทธินีน้กายเพศไว้อะไรเคลื่อนมือให้รู้จักตัวเนี่ยคือสมบัติของเราหัวมาได้ประกอบขึ้นบ้าง ความรู้จักตัวเป็นในกายเป็นประจำทำตามคําสอนพระศาสานามีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจบันคิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เห็นทางพบทางเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้โทกค้นจากความทุกข์ทางไปแบบนี้เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธ เห็นความหลงไม่เป็นผู้หลงก็เจ้าความหลงไปแบบนี้ทาไม่พบทางก็หลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์ทุกที่ใดเป็นทุกข์ที่นั่นโกรธที่ใดเป็นโกรธทา้งนั่นหลงที่ใดหลงที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นเหมือนจนข น, นัจนจนจอยไม่มีทางออกบางคนก็ฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตาย กูได้กโกนไปแล้วค่ามันก็ไม่ยอมมันจนละมืดมืดมืดคือบาปเป็นทุกข์เราเราทำแต่บุญไว้รู้ว่าบุญมาช่วยอะไรว่าบาปอยากได้บุญบุญมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามามีสติจะได้เห็นบุญเห็นบาปโอเวลาใดเราทําความดีจิตใจบริจูดมันก็เาบาิกบอลแสดงใบหน้า ยิ้มแยมแจ่มใสมีความสงบน้อมเย็นเนี่ยคือบุญใจมันดีกว่าเกาเราใดที่มีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นย่อมเบียดจิตใจใจแสดงก็แสดงบนใบหน้าหน้าบูดหน้าบึง้งหน้าดังขัาวเพียดเนี่ยคือบาปละบางหลหรือว่าพอใจยิ่งพอใจในบาปถ้ากูได้โกตายกูไม่ลืมไปอย่างนั้นดีมากไหม กรธห้ามวันข้ามพื้นสองวันแล้วสมวันแล้วบางทีอาจจะพอใจเรื่องนั้นก็าว่ากับเราเขาว่ากับเราเขาทำกับเราเอาว่าด่าตัวเองเอามาทำให้เจ็บปวดคิดแบบกัดต่อดตัวเองให้เจ็บปวดจึงน่าจะกลับกันเฉยีให้มีมีทางอยู่สิ่งที่เราทุกคนเดินเขาไม่ทุกมีในโลกนี้ สิ่ที่เราโกรธคนหนึ่งเขาเ่งโกรธมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เราเหมือนเราทั้งหมดนะโกรธในโลกเนี่ยอย่ามาตีลว่ไปเลยล่าสมัยนะั้นทุกวันนี้นะถ้าไปทุกไปโกรธไปหลงกันอยู่ล่าสมัยละเขาไม่หลงกันแล้วเขาไม่โกรธกันแล้วเขาพัฒนากันแล้ว อันนี้อย่างพากันทำนะจีนเล่ามอยาะติดยาเชิติดทั้งที่มันไม่ดีอะไรเลยยังเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมืองอยู่ทะเลาะวาดกันอยู่ทะเลาะกันที่ใดก็เลือดร้อนที่นั่นยิ่งใกล้เข้ามาครอบครัวเราสามีพันยาทะเลาะกันก็ยังมีอยู่ตอนทั้งที่รักกันก็ยังทะเลาะลกันทะเลาะกันเพราะความรัก มีไหมวันนั้นเราจึงมาน่าเจอหวางใจตรงนี้กันต้องมาดูกันไปต่างคนต่างหัดต่างสอนเตองจะได้พึ่งกันได้เราคนหนึ่งหลงคนหนึ่งไม่หลงก็ช่วยกันให้พ้นจากความหลงคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็ไม่โกรธถ้าช่วยกันจะพ้นจากความโกรธคนได้ถ้าช่วยกันเป็นนะคนหนึ่งทุกคนหนึ่งไม่ทุกกนช่วยกันให้พ้นจากความทุกข์หรือว่า เดีว่าสามีพัญญาหรือว่าคู่สมรสคู่ชีวิตมีโลดเหมือนกันแต่ถ้าคนหนึ่งโกรธแล้วคนที่สองโกรธตามถึงโง่ไปทั้งสองคนที่โกรธที่หลังโง่สองเท่าของคนโกรธก่อนพากันโง่ตรงนี้ก็น่าจะฉลาดช่วยกันไม่เป็นทะเลาะ ก, กันจริงต้องช่วยกันตรงนี้ นี่ถ้าเราหัดทนสอนทนจะมีโอกาสช่วยกันได้มากที่าุดเสียดายเสียดายตรงนี้มากถ้าตัวตายเสีดายเสียดายเสียดายคนที่โกรธความไม่โกรธก็มีอยู่คนที่โกรธนั่นหาช่องทางช่วยกันคนที่ทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในที่นั่นหาช่องทางช่วยกันเจื่รืว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงรู้จักช่วยกันช่วยกันอย่างนี่ เป็นสัตว์สังคมที่มีครอบครัวสามารถช่วยกันได้ยิ่งดีใหญ่ชวนกันใบชวนกันไ ป, นนไปจนเป็นครอบครัวอาญาบุคคลสังฆะเป็นครอบครัวสังฆะสมัครีกันไม่ใช่สังฆะคือห่งผ้าจีวรโขนผมคือความสมัครีความพร้อมเพียงความดีสร้างสรรความดีร่วมกัน ลัน ก, ก็อาจจะเป็นสิงเวนรอบที่ดีได้เพราะแม่ใจเย็ น, นลูกจะอาจจะใจเย็นพราแม่เป็นโจรผู้ไร้ลูกอาจจะเป็นโจรผู้ไายพราะแม่ชี้เล่าหมอยาลูกอาจเป็นชี้เล่าหมอายาเพราะแม่เป็นพระลูกอาจจะเป็นท่าได้อรารับผิดชอบหลังนี่บ้างก็ดีถ้าจะเป็นครอบครัวนะ ร้มที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยเป็นลูกตุ้มเป็นเย็นบางทีเย็นเย็นมันแสดงบนใบหน้าสามีเห็นพัญญานหน้าเย็นเย็นแล้วก็เย็นด้วยพันยานเห็นหน้าสามีเย็นเย็นแล้วก็เย็นด้วยกันเีงโดยนิพพานด้วยกันเห็นหน้าโดยนิพพานเลย สามีเห็นหน้าปัญญาได้นิพพานเลยปัญญาเห็นหน้าสามีได้นิพพานเลยพ่อแม่เห็นหน้าลูกพ่อแม่ได้นิพพานเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยจังก็สมชื่อว่าเป็นมนุษย์อ๋อก็สมมันเจลเวลาแล้วนะะพระพร้อมกัน